บทที่ 7 ดูจิตอย่างไรเป็นสมถะอย่างไรเป็นวิปัสสนาดู ก็เป็นอันนี้รูปอันนี้นามจำแนกว่าอันนี้รูปอันจิตเจตสิกรูปแยกออกจากกันออกจากกันต่างก็ทำ สิ่งที่สําคัญที่สุดคือต้องรู้เช่นความโกรธผุดขึ้นมาก็รู้ทัน ที่ว่ามานี้จิตเป็นคนดู 5 กรกฎาคม 2542